คือตาเห็นรูปผู้วังเสียงจมกูกดมกลิ่นลิ้นนิ้มรสกายถูกต้องจะรอดนอนแข็งในใจเดี๋ยวนึกถึงอารมณ์นั้นอันที่จริงแล้วเป็นการพูดถึงกิเลสประเภทโลกโกดมนั่นเองแต่เป็นการกล่าวในระดับที่ละเอียดหมายความว่ามีปัจจัยกระตุ้นมาจากข้างนอกหรือเกิดขึ้นจากการเหนียวนึกของเราและความรู้สึกที่เป็นกิเลส ก็จะเกิดขึ้นเมื่อถูกแรงกระตุ้นนั้นแต่ปัจจัยในการรับรู้ธรรมศาสตร์สัมผัสของเรานั้นตัวการใหญ่จริงๆอยู่ที่ความใส่ใจหรือความสนใจของเราและความใส่ใจหรือสนใจนั้นปัญหาว่าใส่ใจอย่างไรหรือใส่ใจโดยด้วยอะไร เพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นจากข้างนอกวิโดโานนั้นมันก็มีอยู่สามประเภทคือดีไม่ดีแล้วก็กลางกลางแต่ว่าการมองของเรานั้นอาจจะสร้างความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของใจที่ขาดหลักหรือขาดการควบคุมได้คือถ้าตำสูตรจริงๆเนี่ย ในสูตรในการปฏิบัติจริงๆว่า จ, จะมองสิ่งที่ดีซึ่งอยู่ในตัวคนก็ตามอยู่ในองค์ธรรมก็ตามอยู่ในผลของการปฏิบัติตามก็ตามด้วยความชื่นชมยินดีอีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความใส่ใจที่จะศึกษาที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะรับผลจากสิ่งดีงามเหล่านั้นซึ่งสิ่งดีงามเหล่านั้นอาจจะอยู่ที่การกระทาของคน อาจจะอยู่ที่คําสอนอาจจะอยู่ที่ระบบหรือกฎเกณฑ์ในต่างๆก็ตางส่วนที่เป็นกลางกลงนั้นจะมองในแง่ของสภาวธรรมเพื่อเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้ในที่สุดมันก็เตรียมกายเตรียมใจยอมรับความจริงที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นคราวนี้เรสังเกตว่าราบยสสศสันสนสุขหรือเสริมราบเสริมยศนินทาทุก์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้น จริงมันอยู่ที่ความรู้สึกของเรามันไม่อยู่ที่ตัวสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นแม้จะหายไปจากเรามันก็ไม่ได้หายไปจากโลกมันคงอยู่ในโลกนี้เองแต่ว่าเรารู้สึกว่าของนั้เป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอเราได้หายไปแล้วเกิดความสุขแต่เรารู้สึกเฉย เพราะอะไรเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งหรือคนทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองมาเริ่มจากไม่มีไม่เป็นแล้วเกิดมีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยบอกให้เกิดความมีความเป็นก็มีการได้มีการครอบครองมีการถือครองมีการกําหนดหมายว่าเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเรามันกําหนดกันขึ้นมาทีหลัง และในสุดเราก็ไม่ได้เป็นแต่อของเราก็กลับไม่ต้องเป็นของเราเพระเราต้องทิ้งไปแล้วเขาต้องทิ้งเราไปแต่ความเป็นเราที่เราเคยเป็นต่างๆมันก็ในสุดเราก็ไม่ได้เป็นนายข้าราชการที่เป็นตําแหน่งใหญ่โตขึ้นไปถึงสมัยก่อนก็สมเด็จเจ้าพรยาก็เป็นชั้นพิเศษเป็น41 หรือเป็นอะไรก็ตามก็เรียกชื่อยังไงก็ตามมันก็สมมติได้เป็นกันไปจะเอย่างยั้นแล้วก็ผลที่ท้ายผลสุดท้ายจุดหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็กลายเป็นศพศพมันก็ไม่ได้เป็นจริงในสุดก็กลายเป็นกองขี้เถ้าไอ้กองขี้เถ้าเองไปย่อยไปทีมก็ไม่ได้เป็นจริงต่อลงว่าเราจริงๆเนี่ยเราเริ่มจากความไม่มีไม่เป็นแต่มาสู่ความมีความเป็น ความมีความเป็นก็จะอาจจะสู่ความมีเพื่อความมีความเป็นยิ่งขึ้นไปแล้ว่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะบังคับอะไรเหล่านั้นไม่ได้เลยสิ่งที่ไม่เคยที่เคยเป็นของเราที่ไม่เคยเป็นของเราแล้วก็มาเป็นของเราแล้วก็กลับไม่เป็นของเราความเป็นเราที่ไม่เคยเป็นเราแล้วกลับเป็นเราแล้วก็กลับไม่เป็นไม่เป็นเราตตัวตนของเรามันก็มีลักษณะอย่างนั้น ก่อนมีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนและในสุดเมื่อเมื่อเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดก็รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนแล้วปอยายปจริงมันก็ปรากฏว่าไม่เป็นตัวเป็นตนเมื่อในจุดนี้แหละที่พระธเจ้าได้ทรงแสดงตอบคําถามของคนในยุคนั้นพราะผู้ทุชนกับพระญาบุคคลเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกัน กรณีที่ประสบอารมณ์จากข้างนอกคือหน่าปรารถนาหรือไม่หน้าปรารถนาก็ตามสรุปสรุปรวมก็เป็น4ี่กลุ่มอย่างที่กล่าวแล้วสองกลุ่มอย่างที่กล่าวแล้วคือลาบยอดสรรเสริญสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตปรารถนาเสริมลาบเสริมยศดินทาทุกนั้นเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตไม่ปรารถนาก็แสดงว่าเป็นความรู้สึกร่วมกันอย่างสากลแต่ในตรงนี้แหละไปจุดต่างระหว่างสามัญชน กับปุตชนเนี่ยมันอยู่ที่การใช้ปัญญารู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามปุตุชนเราโดยทั่วไปนั้นเวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราทางด้านบวกด้า น, นลบด้านที่บวกมันก็ปล่อยวาปราทัดาหยุดครองถือครองสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ ด้าลบ ก, ก็ต้องปรารถนาที่จะทําลายสิ่งเหล่านั้นตรัสใสไปสึกใสไปทําลายไปให้ตายไปหรือบางทีไม่มีอะไรก็แจ้งออรู้สึกตั้งความอาฆาตแค้นคือหวังให้เกิดความพิบัติเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นและพอสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นจึงวปฏิจริงมันก็เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปก็เป็นไปได้ยากจะรู้สึกชื่นชมยินดี แต่พอไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นเราจะเกิดความทุกข์ปนใจมันก็มีความยินดียินร้ายก็มีความสุขความทุกข์โดยใจไปแสหาเรื่องเราเองในตรงนี้เราที่จริงเราไม่จาเป็นอะไรแต่ก็ใจไปกาหนดไปตรึกนึกไปเหนี่ยวนึกว่าเป็นของเราว่าเป็นเร า, าเป็นตัวตนของเราทีงมากเท่าไรเราก็เดือดร้อนเท่านั้นเพราะในตรงนี้แหละ ปุตชนเนี่ยไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าโดยสภาวะจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเพราะจะมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงมีความแตกสลายมีความแตกกลับไปในที่สุดก็นเขามาก็คือมาอยู่ก็คืออยู่ไปก็คือไป ใจมารับรู้อยู่ทุกขณะแต่จะไม่เดือดร้อนทั้งมาทั้งอยู่ทั้งไปเห็นสมมุติว่าแขกมาที่บ้านเราเขามาพักหนึ่งคืนรุกในเช้าก็จะไปแล้วเราจะพบว่าตอนมาเราก็รูกเขามาแต่เขามาอยู่ระยะสั้นๆขอพักหนึ่งคืนก็จัดการรับรองเรียบร้อย เสร็จรุ่งเช้าเขาก็เจียบลาเราก็ยินดีที่ได้ามหน้าที่ของเพื่อนแต่แล้วก็ไม่เสียใจนะฮะพอเรารู้มาตั้งนานแล้วว่าเขาจะต้องจากไปคือเขาเขานอนเพียงคืนเดียวแต่นั้นแสดงความรู้มันอยู่ทั้งสามช่วงคือช่วงที่เขามาก็รับรู้ไปช่วงที่เขาอยู่ก็รับรู้ไว้ช่วงที่เขาจากไปก็รับรู้ไปหน้าที่ในการกระทำนั้นต่างกัน ช่เขามาเราก็หน้าที่ทำในฐานะผู้ต้อนรับเป็เจ้าของถิ่นเจ้าของบ้านในขณะที่เขาอยู่เราก็ดูแลใจใสเขาตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ก็จะไปก็ส่งให้เขาไปดีโชคดีอะ ไ, ไรก็แล้วแต่จะว่าสรุปว่าทั้งสมช่วงเนี่ยเราไม่มีปัญหาใดไม่ว่าจะแม้ในเรื่องเสริมราบมันก็มีแนวแนวนั้นออจะพบว่า เอาก็จริงๆนี่มันไม่มีใครเสื่อมจนไม่เหลืออะไรบากฏพูดแรงไปตอนนี้หมดเนื้อประดาตัวสิ้นเนื้อประดาตัวมันสิ้นไปได้อยาก่ายพอตัวเราตอนเกิดมันเล็กนิดเดียวนต่ตอนนี้ตัวก็โตละแม้จะหมดด้วยประการทั้งปวงนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวที่โตขึ้นเนี่ยยังเหลืออยู่พอตอนเรามาสู่โลกนี้เรามาได้นิดเดียวเอง แต่ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกันเพราะยังไงมันก็ไปแล้วไปไปวันนี้วันต่อไปมันก็ไปไปแต่วันนี้ก็ดีเหมือนกันสมมุติเราจะอยู่แต่ต้องพลาดพลาดโอกาต่อไปพลาดพราดต่อไปก็ดีเหมือนกันเขาพลาดพลาดก่อนเราก็ดีเ ร, ราพลาดพลาดก่อนเขาก็ดีเขาพลาพลาดไปก่อนเราเราก็ได้ทําหน้าที่ของผู้ประกอบารช่วยเหลือกันทําจัดการงานศพให้ เราก็รากไปก่อนเขาก็ดีเหมือนกันอย่าพ้นทุกพ่นร้อนนักจีนึงส่วนร่างกายก็เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในโลกนี้เขจะทํำยังไงเรื่องของเขาไม่ทํายังไงก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเพราะในการรู้เห็นตามสภาวธรรมเนี่ยมันกลายเป็นจุดต่างคือบุตุชนจะไม่รู้เห็นตามความเป็นจรงิงว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแกท่านจะสิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา เพราะท่านจะดีใจเมื่อได้สิ่งที่ท่านรักท่านต้องการนั้นปรารถนาท่านจะชื่นชมสนุกสนานหวงแขนท่านอุทา น, นอมเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่เมื่อสิ่งที่ท่านรักใคร่ปรารถนาชอบใจนี่ดำรงอยู่และท่านจะต้องป้องกันป้องรักขาต้องจ้างเวรยามมาดูแลรักษาคนซึ่งคนสิ่งอันโตอันเป็นที่รักของตน พอสิ่งเ่านั้นเสื่อมสลายไปโดยการกระทาคนอื่นจะรู้สึกขับแค้นเสียศักดิ์ศรีจะต้องต่อสู้ป้องกันเอากลับคืนมาถ้าจากไปตามธรรมดาก็จะเกิดปริเวทนาการาครอบครัวไปด้วยระการต่างๆเพราะนั้นใจไม่สงบเลยตั้งสามชม่วงแต่ว่าของพระรยบุคคลเนี่ยท่านเดยนใจแค่แขกมาบ้า น, นย่นที่กลาวแล้ว จะดีหรือไม่ดีก็ตามเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับเรวหรือชาเท่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมัน เ, เกิดแท้ประโยชน์มอนก็ใช้ประโยชน์มีอยู่จะประโยชน์ได้เราก็ใช้มีตายก็ตาย แตกทำลายไปก็อย่างอย่างนั้นเองอันนี้ก็คือก็คือแนวที่เราจะได้จากประโยชน์ได้ประโยชน์จากการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นสภาวธรรมคือเขาเป็นเขาอย่างนั้นเองเ่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมายุ้ยเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นธรรมตทิตตาคือมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันธรรมนิยา ม, มาตา ม, มันอยู่ในเงื่อนไขของธรรมะยุ้ยเจาะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นก็มันอย่างนั้นเอง ไว้ได้เพียงแต่คนพบนอมเปิดเผยชี้แจงแสดงกับบุคคลต่างๆทราบให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเองว่าสิงนั้นมันเป็นอะไรความจริงมันเป็นยังไงเพราะจุดต่างตรงนี้ทําให้คนได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสูญเสียประโยชน์จากสิ่งที่เกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของความจริงที่แท้จริงเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมาตกอยู่ในกฎต่างๆแล้วเราจะเรียกร้องอยังไงมันก็ทําอะไรไม่ได้ ใครไปทําอะไรที่มันทําไม่ได้เนี่ยเขถือว่าโง่แล้วกินอย่างที่พระเจ้าท่านเล่าถึงอีกาสองตัวไอกาเพื่อนเนี่ยมันตกตกทะเลตายพวกนี้ก็ต้องการที่จะเอาเพื่อนนี่กลับเข้ามาจากทะเลกันหรว่าทะเลไปขังเพื่อนเอาไว้ก็ลงทุนเอาปากวิทน้ําในทะเล ก็ต้องการจะหาศพเพื่อนเนะี่ยมันอยู่ตรงไห น, ม น, นไม่รู้การจะตายอีกกี่พันชาติก็ได้มันบิดน้ําจนตายไปหมดเลย ก, กี่พันชาติก็ได้น้ําทะเลมันก็ไม่มีใครจะประวิตเป็นได้ไอ้ น, นี่คือการกระทําของคนที่ไม่ฉลาดแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นความเหนื่อยเปล่าเป็นความสูญเปล่าเพราะเรื่องเหล่านี้พระเจ้าไม่สอนให้พยายามแข็งขืนอะไรเพราะมันแข็งขืนไปก็ทำไม่ได้ แต่สิ่งที่เราเราเร า, เราแข็งขืนได้ที่จริงเราก็ทําได้นะระวังความดีความชั่วเราจะเห็นว่าเราแข็งขืนได้เพราะมันไม่ใช่สภาวธรรมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะหมายความว่าธรรมะ ก, ก็เป็นในที่เขาเป็นแต่ว่าเราสามารถจะให้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ถึงมันผิดกก่ตัวของสภาวธรรมคือเขาเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ธรรมะกลุ่มที่ไม่ดีที่เรียกว่ากลุ่มของอกุศลนั้นถ้ามันเคยเกิดขึ้นแก่เราเราก็มองในแง่ของความหลับจำถ้าเคยเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นก็มองในแง่ของบทเรียนที่เป็นองค์ธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก็มองเห็นโทษตามที่ทรงสแสดงเอาไว้ เพราะเราหาประโยชน์ได้หมดเลยจากอากุศลบางทีก็อาจจะมองผลที่เกิดขึ้นมีการทำลายมีการเผาปรานาการสานที่ต่างๆมาสืบสอบไปเราก็จะเห็นว่าจึงได้มนเกิดจากจิตที่ตั้งไว้ผิดจากความโกรธจากความอาฆาตพยาบาัตแล้วก็มองเห็นปัญหาเป็นกระบวนการทั้งหลาย เช็จแ ม, แม้เรื่องง่ายๆนะที่ทำไมเป็นเด็กก็เล่ากันฟังตากับยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานข้าวล้านไม้ข้าวกากินถั่วกินงาของยายยายมายายดา่าตามาตาตีกวาดเลยเพราจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการไปเรื่อยๆจนถึงมแมลงวีตอนตาช้างช้างมาเหยียบตะลิงตะลิงก็ไปพังไงนั่นไปกันเรื่อยๆพังน้ำํำก็ มาเรื่อยๆทั้งหมดเนี่จริงมันเริ่มมาจากเด็กดือ้ออย่างเดียวเรามองเห็นกระบวนการเหล่านั้นถ้าเด็กไม่ดือ้อสักอย่างนึ่งก็จบละกาก็ไม่ได้มากินถั่วกินงาข้างใหญ่เพราะเด็กไล่ไปปัญหาที่หลานจะต้องวิ่งไปหาคนนั้นคนนี้คนโน้นมันก็จบไปเพราะเราจะมองปัญหาหลายอย่างาเราต้องการผลอะไรบางอย่างเราก็สร้างเหตุขึ้น เราไม่ต้องการผลอะไรเราก็เว้นเหตุเหตุเหล่านั้นเราไม่สร้างเหตุเหล่านั้นปัญตงตรงนี้ก็อยู่ที่การมองเห็นสิ่งเหล่านั้นในแง่ของความเป็นจริงคือตามความเป็นจริงความเป็นจริงที่เป็นกุศลก็น้อมนำมาปฏิบัติที่เป็นจริงที่เป็นกลางๆก็ต้องรู้เห็นตามความจริงดังกล่าวแล้วแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปความไปรบวนเปลี่ยนเปลี่ยไปเป็นธรรมดา คือแล้วก็จะดับไปดับไปมันก็ดับไปไม่รู้านานแล้วมันจะดับไปแต่ส่วนที่เป็นอกุศลมันก็ต้องหาประโยชน์ในการที่จะงดเว้นในการจะสํารวมระวังให้ได้ทีนี้การเกิดของสังโยชน์เนี่ยมันไม่ได้เกิดตามลําดับอย่างนั้นมันเกิดตามพื้นฐานลักษณะ น, น, นิสัยของเราด้านอย่างหนึ่งก็ได้จริตอัตยาศัยความโน้มเอียงความใส่ใจทางสนใจของเรา เราเกิดขึน้นลักษณะของอารมณ์ที่มายุยวดในขณะนั้นและสภาพจิตของเราในขณะนั้นด้วยถ้าเราสังเกตว่าอารมณ์ที่เคยเกิดกามราคะเคยเกิดโทสะเคยเกิดความเครียดแกรงสงสัยในบางขณะบางกรณีแต่บางขณะบางกรณีอารมณ์เหล่านั้นไม่สามารถทําอะไรได้เพราะในในขณะนั้นสติปัญญาเรามีมากพอเรามีเหตุผลมากพอที่จะวินิจฉัยตัดสินสิ่งเหล่านั้น โดยส่วนตัวเองบ้างโดยอาศัยคนอื่นเ็าชี้แจงแนะนำตักเตือนทังสอนบ้างอา่าไี่เคยเล่าเรื่องพระวางคีสะซึ่งบวชตอนหนุ่มๆเนี่ยที่ต่อมาท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระก็เป็นพระหนุ่มอายุ20สบกว่าปีกำวังอยู่ในวัยที่เบิกบานนบางครั้งท่านพ บ, พบจิตใีสวยๆงามเข้าจิตใจั้งก็แปรผัน เปลี่ยนแปลงไปตามงไว้ของคนหนุ่มบาทีต้องก็แก้ปัญหาได้แต่ตัวเองบาทีต้องแก้ไม่ได้ต้องขอปรึกษาพระอานนท์พระอุปัชฌายะว่าจะทำยังไงจิตใจพิ่งแปรผันได้เคยนะจิตใจไม่สงบจิตใจฟุ้งสรรั้น อ, อาจารย์ก็จะสอนให้เริกนกรรมาฐานไว้ตอนนี้ก็คือหมายความว่าไม่ใส่ใจในอารมณ์ที่เพิ่มกิเลส แต่เราก็ไปเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นอารมณ์ที่มีกุศลธรรมตีพอปริมาณของกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความยินดีในกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะออกมาในรูปของการสละการทําลายการลดความรุนแรงของกิเลสคือความชั่วก็ทําได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ตามต้ควรแ ก, กร่กรณีนั้นๆอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า ในสภาพจริงๆเนี่ยสังโยชน์ไม่ได้เกิดเรียงมาอย่างนั้นไม่เกิดเรียงศักระยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปะปราภาษกรรมราคะปฏิฆะก็ไม่ได้เรียงอย่างนั้นที่มันเกิดตามลักษณะของอารมณ์แต่เวลามีการพูดมีการเขียนมีการพิมพ์มันก็ต้องกินพื้นที่มันต้องเรียงลําดับแต่การเรียงลําดับแนวนี้คือสังโยชน์มันมีหลายกลุ่ม แต่กล <unlucky. S 2> ุ่มนี้ที่เรามาพูดมากเนี่ยเพราะว่ามันจะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องอื่นด้วยคือเป็นการเรียงตามลำดับที่พระญาบุคคลทันละได้เด็ดขาดที่พูดมาสมข้อเนี่ยคือสกิยติทิฏฐิความเห็นเป็นถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจะถึงก็มีการห้ําหั่นหรือแม้แต่ไม่ห้ําหั่นอะไรกันนะยังรู้สึกรังเกียจยังรู้สึกว่า ตัวเองมีศักด์รีเนื้อกว่าพวกนั้นหรือพวกนั้นมีศักดีต่ำกว่าเราอะไรแต่ไรเนี่ยเกิความรู้สึกแนวแนวนี้มันก็เกิดมาจากสกยติทิฏฐิเป็นเทศแล้วก็ออกมาเป็นกิเลสประเภทต่างๆวิจยิกิสาคือความเครือบแขลงสงสัยความไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆแล้วก็ศีลแลพัฒน์ปรามาสการถือปั้นโดยศีลโดยวัดโดยขอปฏิบัติที่ปักใจขวังใจว่ายอย่างนี้ท่านั้นถูกต้องอยังอื่นไม่ถูกต้อง เราก็มีปัญหาทั้งนั้นเลยท่านทั้งสายชนทั้งหลายเห็นว่าอาการเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นอาการของโมฆะคือรู้ไม่จริงไง น, นะทั้งหมดยังรู้ไม่จริงแต่ไห น, น, นยังถือว่าเป็นตัวเป็นตนตรงไหนเป็นตัวเป็นตนถ้าเราแยกย่อยออกไปมันก็ไม่มีตัวิดตนเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆมันเริ่มมาจากไม่มีอะไรเลย แล้วพอเหตุปัจจัยที่เป็นรูปธรรมบ้างนม า, ามาทาบ้างประกอบกันมันก็กลายเป็นการมีการมีเป็นจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นตามเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆเพรา ะ, ะเราก็พบจุดดับที่มีคาถาบาังสกุลซึ่งตามปกติแล้วชาวพูดเราก็มองในแง่อะไรในแง่เป็นาศาสนพธิธีแต่จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลก เวลาบทสวดเนี่ยจะแบ่งเป็นมงคลอัปมงคลมันก็แปลกอัปมงคลได้ยังไงคําสอนพระพุทธเจ้าเราทํามังสะนังกระฉามิเราถึงพระธรรมมาเป็นที่พึ่งเจริญลึกเสร็จแล้วพระธรรมบางพวกเป็นอัปมงคลบางพวกเป็นมงคลมันเป็นได้ยังไงเพรอไปทำมรดนาณ์นะรนรนมรดนตณ์ใจดีสูงสุดแล้วมันเป็นเป็นอัปมงคลได้ยังไงตอนนั้นเราจะเห็นว่าชาวผู้เราในติดที่สาธนาพิธีมากไป จนไม่รู้อะไรเป็นอะไรธรรมะที่ใช้ในพิธีที่เกี่ยวกับการพระกระสูญเสียจะเป็นปรมัตธรรมคือหมายความสุดยอดกันธรรมะธรรมะที่สูงที่สุดเน่ฮะแต่เราเอาเป็นอัภิมงคลในแง่ขององค์ธรรมแล้วเป็นสิ่งสูงสุดเป็นปรมรัตถะสัจจะคือความจริงที่แท้จริงเป็นปรมัตถป ร, ระโยชน์ ประโยชน์อย่างสูงสุดที่ทำให้ผู้ศึกษาพระพุปฏิบัติแต่มรุมรรคผลนิพพานนะนั่นคือในแง่ของธรรมะแต่ในแง่ของาศาสนวพิธีญาติโยมก็ไปมองว่าเป็นอัิมงคลกนะลัวนะระคาถาเหล่านี้กลัวเลยปูดยังไงเป็นอัิมงคลเป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูมากกระจุมกระจิมากคือไม่ได้ไปติดอยู่อะไรนักนะ ภาสิทธ์นั้นเป็นภาสิทธิ์ที่พระเจ้าทรงสอนหลายครั้งตอนพระพุทธนิพพานรัสกะเทวราชก็นำมากล่าวในทิฏนั่นนั่นคือแสดงอะไรแสดงว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปนิัตธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีเหตุปัจจัยเกิดมันก็เกิดอะมีเหตุปัจจัยอยู่มันก็อยู่มีเหตุปัจจัยดับมันก็ดับมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมนัแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วน่จะดับไป เกิดมาเท่าไรก็เท่าไรก็เท่านั้นเน่ยเกิดมาก็ดับเท่านั้นเกิดมาเท่าไรก็ดับไปเท่านั้นแต่ว่าความทุกข์ความเบือเพราะความบุ่นวายเพราะสัตสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมันมากเล็กเกินจนบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องฝนตกแดดออกเนี่ยฝนตกก็ช่างฝนแรงก็ด่าอยู่บางคนก็ไปบ่นว่าวันรถกรุงเทพมันจิตเล็เกิน ก็ต้องการถนนลงๆไม่มีรถนะกรุงเทพจะสบายอถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่กรุงเทพไปรถติดนี่มันมาจากรถมากรถมากมาจากคนมากคนมากมาจากบ้านเรือมากมันก็มาเป็นกระบวนการเข้ามานะี่ยเราต้องการเอากระบวนการเพียงหัวตัวใดตัวหนึ่งเลือกเอาเนี่ยมันเลือกไม่ได้มันต้องรบมันทั้งรับมันทั้งกระบวนการนะาเลยแต่ปฏิเสก็ไปฏิเสธดั้งกระบวนการ ต้องการลดลงลงถวนลงล ง, ล ง, ลงมันก็อยู่บ้านนอกเปอยู่กรุงแทพมันเป็นเป็นไม่ได้มันเงื่อนไขมันดักกันนั่นคือสิ่งที่มีปัญหาแลาวเราก็ไปเดือดร้อนไปเดือดร้อนเพราะเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมชาติทนั้นเองฝนตกแดดออกก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติตกมากๆน้ําทะเลหนุนน้าเหนือก็ตกกรุงเทพก็ตกน้ําก็ถ่วงถ่วงก็ขังธรรมดา มันเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่ไหนตแต่ไรแล้วตั้งแต่โลกมีมนุษย์มาแล้วตั้งแต่มีโลกแล้วนะฮะเราเมาเกิดมาทีหลังไม่วุ่นวายอะไรกับเขาเราตายไปแล้วเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนะี่ยแต่นี้ตรงตรงนี้เราจะเห็นว่าจิตใจนั้นไม่ได้ใช้เหตุผลหาเรื่องสร้างความเดือดร้อนแก่ตัวเองพอเพรอเดือดร้อนไปมันก็เท่านั้นเอง แต่ฝนม่เงื่อนไขให้ตกก็คงตกอยู่งั้นเรานั่งดา่ายปากเตียงปากแชะไม่ต้องหลับต้องนอนปรดีมันตกมาลาทอนส า, สาวันสี่คืนนั่นก็จบเลยเราก็จะตายไปด้วยไม่ได้นอนฝนฝนป ร, ระเดี๋ยวมันก็หายปากเตียงก็หายนี่คือคือใจที่เราเรียกว่าไปแสไปแต่หาเรื่องแล้วในสุดก็สร้างความเดือดร้อนนั่นแกเราเรื่องธรรมชาติแท้ๆนะฮะแต่ใจไปวุ่นวายเอาได้ฝ น, นตรงนี้แหละ พระเจ้าึงส่งสอนว่าเตสังมูปสมุสขุการทําจิตให้สงบระงับในสัตว์ในสังขารทั้งหลายในสิ่งต่างๆนั้นเป็นความสุขมองมาตามๆตามที่มันเป็นจริงอ่ะเลยก็หาประโยชน์มันได้ได้กินอาหารอร่อยมันก็ดีเหมือนกันไม่ร่อยก็ดีเหมือนกันไม่มีกินก็ดีเหมือนกันเมื่อโตลงก็หาทางดีไปได้ ปรับใจเราให้อยู่ได้เพราะปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นอยู่ในการปรับใจแล้วนั่นเองปรับใจด้วยยิ่งก็ปรับกายด้วยนะเราจะเห็นว่าหนาวร้อนยนี้ยกยกตัวอย่างหนาวร้อนเนี่ยทยังไงกันมาเรียารรดายความหนาวความร้อนแล้วมันได้มันได้อะไรเกิดมาก็หนาวทํำยังไงมันลดหนาวลงมันหน่อยประยู่ได้ร้อนน่ะทำยังไงล่ะลดร้อนลงไปหน่อยประยู่ไ ด, ไ ด, ไไได้ตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ช่วยตอนนี้ก็โตแล้วเราก็ช่วยตัวเราเองได้ แต่เราไปปฏิเสธตัวนอกเนี่ยมันไม่ได้การแก้ปัญหาจริงๆแก้ที่ตัวไหนคือแก้ที่ใจเราที่มันเดือดร้อนวุ่นวายกันเวลานี้เราออกไปแก้ที่ตัวนอกแก้อารมณ์โลกไปแก้เขาได้ยังไงอารมณ์โลกก็เป็นใน<อ>ที่เขาเป็นนะ่ะรูปมันก็เป็นรูปเสียงก็เป็นเสียงกลิ่นก็เป็นกลิ่นรสก็เป็นรสสัมผัสก็เป็นสัมผัสอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เราตายอีกล้านปีอพวกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ ก่อนหน้านั้นไปอีกกี่ร้อยล้านปีไอ้พวกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเองนั่นก็คือสิ่งที่ท่านสอนให้เกิดปัญญารู้เท่าทันปรรู้เท่าทันถึงความจริงเนี่ยแม้จะรักแม้จะชังมันก็ไม่ถึงกับหลงเพราะอะไรเพราะรักไปชังไปมันก็เต่ น, นั้นเองยังยังเราจับประเด็นกับมโนสติได้สักอย่างเนี่ยนะท่านเห็นว่าเป็นกรรมฐานที่ดีมากๆ ตตอนนี้จะเตสังมุปสมุปสุขะคือจิตมันจะสงบระ ง, งับในทั้งการทั้งหลายไม่ยึดติดในทั้งดีแล้วก็ไม่ดีพอดีมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะฮะไม่ดีมันก็เปลี่ยนแปลงได้บางทีเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมากๆมกันต่อสู้กันแล้วก็มีอาการคล้ายๆอาการป่วยนะตาขั้นตาครอคือแสดงว่าจะหายก็ไม่หายจะป่วยก็ไม่ป่วยหนาวร้อนสบายหนาวสบัยร้อน คือเห็นว่านาวก็ไม่เชิงร้อนก็ไม่ใช่อะไรพวกก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอาการทางจิตก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะถ้าบุคคลปัญยามองสิ่งเหล่านั้นให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกสภาวธรรมเนะี่ยที่เป็นเหตุเกิดของธรรมะเหตุเกิดของกิเลสมันก็แล้วแต่ใครมองอ่ะนะยิงๆแล้วเรามองที่สภาวธรรม แล้ภาวธรรมซึ่งเราเห็นในตาเราไยินดูสูดดมด้วจมูกดิ้มด้ลิ้นถูกต้องด้ยกายนะฮะแล้วก็เหนี่ยวนึกด้วยใจเนี่ยตัวนั้นแหละคือเป็นตัวใหญ่ที่สุดนําไปสู่นิพพานกับตัวนี้เองนําไปสู่นรกกับตัวนี้เองแต่มันเป็นเพียงปัจจัยนะฮะมันไม่ใช่ตัวมันปัจจัยเป็นที่กําหนดหมายเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราซึ่งมันเหลวทั้งนั้นจริงๆมันไม่เป็นของเราไม่เราก็ไม่ได้เป็น เป็นจริงๆอ่ะนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนก็งเราจริงๆเพราะตรงนี้แนวมองตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันเป็นสติสัมปชัญญะเป็นการปิดกั้นกระแสของอารมณ์เอาไว้แล้วก็ตัดกระแสอารมณ์เพื่อไม่ให้นิวรณ์ซึ่งไม่สังโยชน์ซึ่งมีอยู่ภายในใจมันขึ้นมากุมกุมใจหรืครอบงำจิตใจได้ดนังธรรมะปฏิบัติทั้งหลายนี่จึงเขาจึงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป